ปรมัปรมัดได้ยินมาหลายใคร่ายแล้วฮะเข้าใจว่ายังไงพอได้ยินคาว่าปรมัดไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ไม่สงสัยแล้วไม่รู้อีกแ้วอ๋อปรมัดท่าไปเถอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยชมสัยดีกว่าสมมุติพอเข้าใจเราสมมติสมมติว่าควรว เรียกหัวสมมติก็คือของปลอมปลอมเอาทองมาชุบทองปลอมไม่แท้ปรมัตดคือความจริงแท้ของแท้ของแท้ เป็นความจริงปรมาจิไปว่าความจริงใส่แท้ใบอาจารย์จะบจบผิดเป็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นความจริงสงสัยไหมไม่สงสยัยกะเป็เข้าพตุสงฆ์บบ แล้วคือสมมติมันปลอมอมน้เป็กันอย่างนี้อนี้เราก็มาฝึกสติปัฏฐานสี่ภาษาเรียนเราก็เรียนกายานุปัฏฐานาเห็นกายในกายตายพอเรียนมันก็ตายอยู่แค่นี้เลยภาษาเนี่ยภาษาปรรมะภาษา ปริยัปริยัตแปลว่าตัวหนังสือภาษาตัวหนังสือเห็นยังไงเนี่ยเถียงกันมาเห็นกายในกายลูกพระไปเจอกันก็ถามเอาจาย์เห็นกายในกายมันยังไงเห็นยังไงอะไรต่างคนก็ต่างขนตำรับตำรามาเตะใบง่ายๆเลยเห็นอย่างพระอาจารย์สรุปแล้ว เห็นการเคลื่อนไหวการหยุดการเคลื่อนเห็นการหยุดการเคลื่อนเห็นการเห็นการหยุดการเคลื่อนเห็นการหยุดการเคลื่อนเห็นไปเรื่อยเห็นกายในกายก็คือเห็นหยุดในหยุดเห็นเคลื่อนในเคลื่อนเห็นไปเรื่อยๆยกมือก็คือเห็นกายในกายเห็นความหยุดความเคลื่อนของมันไปเรื่อย พยายามเห็นให้เรื่อยๆที่ทำถางที่พี่เลยถามเมื่อกี้ตรงกับใจแต่ว่าเราอาจจะเบบี้สเต็ปคือยกไปเรื่อยๆเนี่ยคือเห็นไปเรื่อยๆก็จากความมั่นหมายในความเป็นตัวของเราจะหายไปคือยังไงมันจะไปถึงตรงนั้นนะคะคือมันต้องมีสเต็ปของมันใช่ไอธิบายเข้าใจที่เราถามมาพูดโอเที่เอกี้พี่ถามว่านูกไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ทำยังไงที่จะให้เราสัมผัสอาการ<ม>อย่างนั้นได้จริงๆกกคือการปฏิบัติเนี่ยก็คือแครกระจกนี่มันหมัวกระจกมันหมัวมากเช็ดทีเดียวได้ไหมเปอะไรแบา่เช็ดกระจกกันนะเน <c oughs> ช็ด <c oughs> ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันคือมันจะเพิ่มเหมือนออกกาลังกายทีเดียวมันไม่แข็งแรง ต้องวิ่งทุกวันจนตัวรู้เราสติเราชัดขึ้นชัดขึ้นมันเห็นหยุดก็ยังไม่เห็นชัดนะหยุดที่เรายกเคลื่อนเนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดเท่าที่ควรเพราะวะ่าความไวของสติเราหน้อยพอสติแข็งแรงความรู้สึกตัวแข็งแรงมันก็ตัดหมดนะ<อ>มันก็มา<อ> ท, ทันไง <Okay. S 1> มันมาทันสติมันมันมาไม่ทัน ก็จะรู้สึกตัวก็าสายสร <I think S 1> แล้ ว, ลว <laughs> มันมาไม่ทันทําไมมันจึงมาไม่ทัน <laughs> เพราะเราไม่ได้ฝึกหลวงพ่อเ <laughs> ทีนยนจึงยกตัวอย่างนักมวยนะท่านเป็นนักมวยแบบชกเอาเบ้าตามันเลยจบ <laughs> มองไม่เห็ <laughs> เชกเลยเป้าตาเลยนเนาะเป็นฉลาดที นั่นคือตัวสติที่มาเร็วแล้วไงเป็นอย่างนั้นคำว่าเห็นกายในกายก็คือเห็นการหยุดการเคลื่อนเห็นการมันมันมันมันมากนะเห็นไปเรื่อยเห็นในหยุดหยุดในเห็นอย่างเห็นไปเรื่อยจบเลยไม่ต้องไปอธิบายอะไรเห็นเวทนาในเวทนาแหละอาจารย์ก็สรุปไปแล้วก็เห็นความหนักความเบาเลย ว่าไงนะอ๋อจะบอกว่าตอนเนี้ยจากวันแรกจนถึงวันนี้เรื่อสงสัยไปเถอดทำไปเยอะๆเดี๋ยวมันคงเห็นเองของสักวันเพราะว่าถ้าทำไม่พอแล้วสงสัยอย่างนี้มันก็คงไม่จบช <c oughs> เพราะว่าคําตอบที่ดีที่สุมันจบการสงสัยเนี่ยนะเพราะ ป, ะปะาัจันมันก็ต้องสงสัยไปตัวความคิดมันก็ต้องสงสัย เห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นความหนักความเบาอาจารย์สรุปชัดเจนนะเขาเห็นอย่นี้เห็นจิตในจิตก็เห็นการเกิดการดับเห็นธรรมมันใช้คำว่าธรรมเป็นอารมณ์เป็นสภาวะก็เห็นกุศลนะกุศลเห็นดีเห็นชั่วเห็นไม่ดีเห็นไม่ชั่ว ก็เห็นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะเห็นในเห็นไปเรื่อยรือไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยอรื้อไปเรื่อยเห็นไปเรื่อย คนดีเทยนทำต้ของผมเจามากต้นของพระเจ้านะเพรา่าใจนี้มันเป็นเท่ยใดแก่ใดอีกคนไม่เทีก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เห็นธรรมมันกันเห็นจนไม่เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นคือเห็นสูงสุดแหละบอมมี่ห้าตาย บ่ไม่ออกครับ่แม่นไม่ออกตายตอนนี้เฮายัางเห็นว่าเออเถ่าเจ็บตา ย, ยก็เห็นอยู่แต่ว่าเห็นไปให้มันสุดก็คือว่าบ่เห็นผู้ตายบ่เห็นผู้เจ็บบ่เห็นผู้เถ่ามันบ่ไม่ยังเห็นแต่ของแท่เห็นเห็นแต่แตงของจริงห่วยนั่นบ่มีเฮา เท่าตัวนี้มันเบาไม่เราใส่เสิยเอาเหาเหามาแต่ไรพอพอพอสมมติที่พระอาจารย์บอกว่าอวิชชาอวิชชาก็คือขอัดก็เสลยอันแอบยกมือเนี่ยเอออ่เส้วชอบยกมือแตกแหลกเอาเอาง่ายๆผต้องไปเอาไก่เออ เอาเปรียบว่าสันขาดตีนโบใหญ่สู้โบกาตายโบอแรอย่างเนี้ยผู้ใดกาตายนอนเทปามันยุ่งมันสบายคืออันร่มเเห็นเป็นบบต้องไปเอาไกลเอาไกลเะมันมันยุ่ขค่อันจกมือ่อความกาตายมันกับกิเลสเลยเจ้าเป็นยังเจ้าอ้นฉังกาตาย พอมองหนอานี้ม um ันมันจะตายบอเป็นตาตายอีนนี้เก็พี่อะเรียกพี่นะชนะชนะหยาคือที่นอนนะจะตายเลยมันตกชูดตัวนี้ชู้ตัวนี้ใดแปว่าขึ้นธรรมบรรยากาศตายมาขึ้นธรรมขอต้องว่ามองมอเราเองตายกับต้องตายอย่างีนี้ กิเลนไปใตายเราต้องตายกิเลสเราไม่ได้กิเลสตายมันจบตายกิเลสลมมโมทนาสาธุวนี้มันความ่วงนมันมันนี่แล้วมันมีความเจ็บมันสิ่นี้เจ็บพ่วงความเจ็บพัวมันมันต้องเอาอันความมุ่สิทอยู่หางไหนมาเบิร์นมันวันมันชีเจ็บพัคน้าไต เจบนก็ค wow. ือเป็นก็หงมบพคือมันเจ็บลงเจ็บลงเจ็บลงเจ็บนงเฉ่าะหงมฉีบเบาเลยมันบดหรอกเบาบดแล้วกับเติไปมันคือน้าตาจะไหลแต่ว่ามันบวมมันมันเบาเลยเราม่นี่ก็คือตื่นมาเหรอวะรก็นแจกว่าตัวเองเหมือนเป็นแห้งใจมันก็บอกเปิด ลองก็บมียจัยาเรานีตก้จัสิิด่านเวียนทใเมื่อมใเมื่อ่นยานยานมันก็ต้องไปงานมันว่าอันไปนอนหรือพูด่อมันต้องนอนไอนหอเอาอันเมาให้ชักเขากวรู้สึกว่านบรู้สึกว่ามันวางเปล่าัน คือจอก็ุมีหนามุมมีย่างนะเราบร้ขนอย่างซ่อมสมองคือสภาวะอะไรคะมันขึ้นมาเองมันแบบเพราอว่าครั้งไหนมันมมมีย่างเหลวมันคลองรูซีมันมันวุดวุดเพราะว่าวุดเบียร์ของมันมันวุดเบียร์เรามันตัวดีอ้อมมาขนอยเต็มปากเก่าคือเฮาลางจอกคี้เหลวมันเอาหนามาใส่วัยมันใส่เลยสมองเขามาตรงไหน คมเตอร์นเนี่ยค อ, อมพิวเตอร์มาเลยดินที่ไปเปิดขนน้อยดิเอาชั้ชั้ขนน้อยผเอาไก่นี่ไปเปิดอุรม์แปลงแห่งถ้ามีคนเข้าใจย่นคนก็ชิ่นใจที่ว่าคนจะเยอะขนาดไหนถ้าไม่มีคนรู้อย่างเงี้ยมันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าแต่คนเ<น>พียงคนเดียวถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็โอเคละก็เอ<น>าไปไก็มันจะชวนบุได้อาำต่อไปอย่าไปคิดว่ามันมันมัน อัลไซเมอร์ไม่ใช่คืออย่างที่เคยถามอาจารย์แล้วว่าทำไมเมื่อปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนจะจะแก้ยังไงก็คือพอไปถึงแล้วมันมันมันมันหมดมันหมดความคิด นแนแกมาถึงตรงนี้แหละทีนี้ก็ก็มาเดินใหม่มาเดินใหม่มาภาวนาใหม่มาสร้างจังหวะใหม่ไปเรื่อย น, น้ต่อไปมันก็มีแต่ของดีออกมาแล้วตอนนี้มันกาดมันหมดกาดมาอัน อันนั้นมันเบิดแหละตอนนี้มันของเน่าของบูดของข้างข้ามันเบิดแหละต่อไปแนวใหม่มันเกิดอย่าไปหยานมันอมิเกิดใหม่อ่ามันมันมีแนวแน่ต่อไปมันแนวใหม่มันเกิดอ่าแนวทำต่อไปทำมันเกิดแต่ก่อนน่มันมีแต่แต่แต่โลก แต่กิเลสเกิดมีแต่หยาบเป็นประโยชน์เกิดไปต่อไปมันออกนวยแหละเข้าก็พยายามใส่ปุ๋ยมันไปยกมือสร้างจังหวะไปใส่ปุ๋ยไปอั ừ. นสิที่ออกดอกออกผลแหละแต่ก่อนมันมันมันออกอยุ่แต่ว่า มันใส่ประโยชน์ประ่ใดมันลาอาลาบแค่ผ่านแค่เรียกว่าเวผ่านเวทนาเวทนาแค่ผ่านเวทนาเรายังไม่ผ่านยังไม่ตัวผ่านเวทนาคือยอมตายมันแกว่า พอยอมตายมันก็ผ่านเวทนาต้องต้องเก่งจริงๆเหลือเวลานิดหนึ่งระจารย์สรุปอย่างที่บอกว่าการเปิดอบรมเนี่ยแต่ละแห่งถ้าได้เข้าใจสักคนสองคนนะก็ถือว่านะครพอใจละคนอาจจะมาอบรมเป็นร้อยนะแต่ในร้อยคนนะไม่มีใครเก็ะสักคนหูเหนื่อยเสียเวลาน่าจะได้ ลาบผลอะไรมากมายก็ไม่คุม้มแต่คุ้มตรงได้ ว, ว่าถ้ามีคนเข้าใจชัดๆที่ในวิธีการขอพุทเทศยนคือเจาะเฉพาะคนอย่างเงี้ยแต่คนคนนั้นก็จะเรียกว่ า, าเป็นที่พึ่งของเพื่อนของหมู่ได้ต่อไปไม่ใช่คนทุกคนจะรู้ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีศรัทธาไม่เท่ากันมีความเพียรไม่เท่ากันสติสมถิปัญญาไม่เท่ากันแต่คนที่มีศรัทธาวิทยาสติสมถิปัญญ า, าเข้มแข็งกว่าเพื่อน คุณนั้นก็จะได้ก่อนนะฉะนั้นก็ <c oughs> เป็นธรรมชาติอย่างที่ว่าเหมือนแก้วน้ำเนี่ยท้งที่มันสกกรปุกเอาน้ําใส่อะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ยังออกมาสุกกรุกอยู่ดีแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเหมือนแก้วน้ํามันสะอาดแล้วมันรู้ว่าไม่มีอะไรสะอาดน้ําที่ใส่เข้าไปสะอาดใสด่เข้าไปขีดแก้วขีดแก้ ว, ก ว, ก ว, กวมันก็สะอาดความคิดเหมือนกันถ้าหากว่าเรามารู้ปรมาจา์ชัดเจนเนี่ยเหมือนเราเลยล้างแก้ว นะก่อนหน้ามันลกลุงลงังเพราะเรสมมุติลกลุงลังไปราะเรความคิดทีเป็สมมติแก้วเราสกุกกระปรกองค์ของเราสกุกกระปรงแต่พอมารู้ปรมัทิตมันรู้วิธีล้างแก้วรู้วิธีล้างองค์รู้ที่วิลารู้รู้วิธีชําระจิตมื่รู้วิธีชําระจิตที่ในคำสอนพระเจ้าท่านเน้นว่าสจิตตาปริโยดให้รู้วิธีชําระจิตคุณจะแค่คิดทั้งดีคิดบาปคิดบุญก็ตามแต่คุณต้องชําระออกเพราะทั้งบาปทั้งบุญ ก็เหมืนในถ้วยของเรามันใช้แกงแกงดีแกงบูดก็ใส่ได้แต่ว่าที่จะใช้จริงๆต้องไม่มีทั้งแกงบูดแกงดีต้องล้างทิ้งให้หมดจิตของเราเหมือนกันที่จะเป็นใช้จิต ท, ที่ใช้ได้เนี่ยต้องรู้จักวิธีชําระมันสะอาดก็คือชําระทั้งความคิดดีและไม่ดีออกไปก่อนเหมือนว่าโอ้แกงนี่ดีเหลือเกินเอาไว้จะใช้ต่อไปมันใช้ไม่ได้เพราะมันเจอแกงดีตรงนั้นเราจะไปใส่แกงไปใส่ส้ ม, มใส่อะไรไม่ได้ละต้องล้างทิ้งไปก่อน เพราะนั้นการรู้ปรมัาณคือรู้วิธีชําระจิตแต่ละครั้งเพราะถ้าหากว่าจิตของเราสะอาดแต่ละครั้งสิ่งที่เราจะพูดจะทําจะคิดต่อไปแต่ละครั้งมันจะดีเหมือนน้ําที่สะอาดใส่แก้วที่สะอาดมันกินได้ทุกคนเพราะฉะนั้นการรู้ปรมัาณคือรู้วิธีชําระจิตนั่นเองทําจิตให้สะอาดเพราะนั้นในคําสอนสาประการท่านเจ้าท่านสะดวว่าสจิตาประโยชน์ธรรมนังทําจิตให้สะอาดเสมอ แต่คุณจะดีคิดดีคิดได้ไม่ว่าถ้วยของคุณมาข้างคุณใส่ของขมคุณใส่ของบูดของเน่นาทั้คุณใจของแกงที่อร่อยคุณใส่ได้แต่ที่สุดแล้วคุณตัวล้างทิ้งเก็บถ้วยที่สะอาดเอาไว้ในครัวเราล้างถ้วยทุกวันทำไมเราล้างเราล้างแต่ข้างนอกแต่ถ้าเราไม่รู้ปรมัดเราล้างข้างไหนไม่เป็นเมื่อล้างข้างไในไม่เป็นมันคาสมมุติดีคาส ม, มุติชั่วในใจเวลาพูดออกมามันก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะั่นแหละ ถ้าพ <te le> ูดด <te le> ีก็ถูกใจคนดีไปถ้าพูดไม่ดีก็ถูกใจคนไม่ดีไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาแต่พอจิตของเราสะอาดแล้วเนี่ยเราจะเลือกเป็นคือกะคนคนที่จะพูดแบบไหนกะคนคนนี้จะพูดแบบไหนนั่นหมายความว่าจิตมันสะอาดละมันจะใช้สมมติเป็นเพราะะนั้นสมมุติมีสองลักษณะสมมติที่เนื่องด้วยปรมตทิและสมมติที่ไม่เนื่องด้วยปรมาิตย์สมมติที่เนื่องด้วยปรมัทิตย์เป็นสมมุติที่จําเป็นต้องใช้ เหมือนกับเ ม, ม, ม็ดมะขามเม็ดเท่มันเป็นปรมัติแต่ว่าตัวตน cosas, goals, ้นมะขามได้ออกมาเป็นสมมุติเท่ามันมันเนื่องด้วยเม็ดมะขามตัวนี้ใช้ได้เพราะมันเนื่องด้วยเม็ดแต่มันมีมะขามอีกต้นหนึ่งเป็นต้นมะขามปลอมที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกต้นมะขามที่ทําขึ้นมาเป็นสมมติที่ไม่เนื่องด้วยปรมัติเพราะต้นมะขามที่ทําขึ้นมามันไม่ได้ออกมาจากเม็ดมะขามมันเป็นพลาสติก ที่ทำออกมาอเมริกาชอบเยอะๆใช่ไหมดอกกุหลาบที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบดอกกุหลาบที่เนื่องมาจากดอกกุหลาบแท้ๆใช้ได้มันมีกลิ่นมีรสมีหอมแต่ถ้าดอกกุหลาบที่มันเป็นดอกกุหลาบเทียมเป็นพลาสติกเนี่ยมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสมันมีแต่สีดังนั้นตรงนี้ก็สําคัญสมมุติมีสองลักษณะสมมติที่เป็นวิชาและสมมติเป็นอวิชาทั้งได้กล่าวแล้วนะ นั้นเมื่อเราอยู่ในโลกเราจะเป็นต้องใช้สมมติแต่ว่าถ้าไม่รู้จักปรมัติตก่อนการใช้สมมุติของเราไม่สามารถจะควบคุมความพอดีได้เมื่อควบคุมความพอดีไม่ได้ตัวนั้นจะสร้างความทุกข์เป็นสมุดได้สร้างความเดือดร้อนให้เรานี่ยแต่ถ้าเรารู้ปรมัติตเรารู้จักความพอดีแม้แต่ว่าของบ้านของเดือนเราจะรู้จักความพอดีอ่แล้วก็รู้เขารู้เราที่ท่านบอกว่ารู้โลกรู้เรารู้เขานะ่ะ คือหมายความว่ารู้จักปรมาิตมันจะควบคุมสมุติได้มันจะพอดีปัญหามันจะไม่เกิดแต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะให้คนทุกคนมามีศรัทธาให้เกิดปฏิบัติให้เกิดปรมัจิตได้ไม่สามารถจะควบคุมแต่ในควบคุมได้ตรงที่เอาเราให้ได้ได้ก่อนอยู่ในบ้าน10บคนเนี่ยเรารู้ปรมัจิตคนเดียวอีก9้าคนมันเรารู้ปรมาิตเรื่องปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเก้าคนมันทุกข์หมดแต่เราไม่ทุกข์แต่เราก็สามารถทจะช่วย9คนได้ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความคนทุกคนที่จะรู้ปรมาได้แต่ในบ้า น, น, นถ้ามีคนรู้ปรมาทัยคนเดียวเนี่ยมันเย็นไปทัางเยอะมันช่วยแก้ปัญหาไปทางเยอะนะแต่ขอให้รู้ให้จริงเท่านั้นเองอันนั้นเองในจุด น, นี้ที่ยายจะทําไปที่พระอาจารย์บอกข้ามเวทนานะก็คือข้ามความรู้สึกนั้นไปได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยในตัวสติปัฏฐานสถ้าเรารู้ กายในส่วนเดียวเวทนาจิตธรรมมันก็จะทะู้ไปด้วยเพราะมันจิตเดียวกันในสีอย่างเราจะไปรู้อันไหนก็ได้แต่ให้รู้ให้ชัดอีกสามอย่างมันก็จะรู้ไปด้วยอย่างอาตมามองเสาเนี่ยมองเสาพุเดิวมันเห็นไปหลายต้นเนี่ยแต่ถ้าต้องการที่จะดูต้นนี้ก็ได้ดูต้นเดียวก็ได้แต่ถ้าจะดูทั้งหมดก็ได้นะสี่ประฐานสี่เหมือนกัน ถ้าเรารู้ความจริงของมันว่าความจริงของมันทั้งหมดคือการเกิดและการดับเท่านั royable, ้นเองเอามาแยกว่าเออในส่วนกายกเวทนาเป็นเร uh, ื่องของรูปนะในส่วนจิตกระทําเป็นเรื่องของนามนะเพราะนั้นกลับมาดูรูปรู้นามก็รู้สติปัญสีทั้งหมดเกิดความเกิดการหยุดการเคลื่อนมันก็บวกเวทนาจิตธรรมลงในนั้นการหยุดการเคลื่อนของกายก็เป็นการหยุดการเคลื่อนของกายเวทนาเวทนาจิตและธรรมด้วย แต่ว่าสมมุติมันดูง่ายเป็นเป็นกายมันดูง่ายเท่านั้นเองให้มาดูจุดนี้เสียแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติเอ้ยตอนนี้ดูรูปนามเป็นแล้วต่อไปจะไปดูอะไรเออดูตัวนี้รู้เวทนาแล้วต่อไปจะไปดูจิตดูอย่างไรเออดูนี้รู้เรื่องจิตแล้วต่อไปจะไปดูธธรรมดูอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจมารู้แต่กายมันก็เห็นเวทนาจิตธรรมมารู้เรื่องเวทนามันก็รู้จะกายจิตและธรรมรู้จุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ขอให้ชัด บางคนนี่ไปรู้ปรามัดก่อนคือมารู้เวทนารู้จิตเออรู้จิตรู้อารมณ์ก่อนแล้วมารู้สมมติทีหลังก็ได้บางคนมารู้สมมุติก่อนมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมทีหลังก็ได้ขอให้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเดี๋ยวมันจะรู้ถึงกันหมดเข้าใจนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราไม่เข้าใจอย่างจริงจังเราก็จะมาเล่นกับภาษาสมมติมันถึงเลอดเฮงไง มันก็เลียงกันไม่จบแต่ถ้ามีคนเข้าใจหลักเข้าใจแก่นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะไม่สงสัยเพราะนั้นคำหนึ่งที่ท่านใช้ในพุทธศาสนาใชคําว่านิกลางโขคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคือไม่สงสัยเป็นชื่อของปรมัติ์นิกลางโขท่านบอกว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระอรหันต์ด้วยผู้มีความสงสัยออกแล้วคือใครจะ พูดไปสมมติไปร้อยเรื่องพันลาวก็ตามอ๋ออันนี้ก็คือสมมตินั้นเองมันจบไม่สงสัยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องของปรมัติ์เนี่ยเราจะสับสนไปกับสมมติวายไปหมดจับต้นชนไปลายไม่ถูกนะแต่พอมารู้ปรมัติ์คือตัวรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยอ๋ออ่มัดเข้าใจดังนั้นเองแม้ว่าเราจะขยันทำความรู้สึกตัว แต่ถ้ามันยังไม่เกิดปัญญาเราก็ยังสงสัยในความรู้สึกสวกสึกตัวอยู่ดีเพราะนั้นจุดสาคัญต้องให้เกิดปัญญาอาตมาเคยพูดแบบนี้ว่าเหมือนกับหนังสือเนี่ยเจ้านายให้เลขาล่างหนังสือหนังสือนั้นจะล่างได้สวยๆงดงามเป็นข้อตกลงอะไรที่ดีก็าตามแต่ถ้าเจ้านายไม่เซนเนี่ยหนังสือฉบับนั้นมันยังใช้ไม่ได้เพราะนั้นตัว ปรมามัตัวสมมติเรารู้มากขนาดไหนก็นตามแต่ถ้าไม่เกิดญาณปัญญาขึ้นมามันยังใช่ไม่ได้มันยังสงสัยอยู่นั้นเขาว่ายานปัญญาดเหมือนกระไลเส้นเหมือนกระไลเส้นถึงจะผ่านได้ไ ใ, ช <laughs> ใช่ไห ม, ไมใช่ไหมเพราะ <laughs> น, นั้นคุณต้องทำเรื่องตัวปัญญาในหะ้ใช่ <laughs> ใช เพราะนั้นบางคนที่พูดในเรื่องเรื่องสมมุติเรื่องธรัมะเรื่องไปเยอะแยะนะแต่มันไม่มีลายเส้นหนังสือที่ยังไม่มีลายเส้นนะก็อย่าต้องทำทำไปเรื่อยๆทิฏฐิญาณเกิดขึ้นได้อย่างไรญาณเกิดขึ้นได้อย่างไรญาณดังนั้นคือการรู้ซ้ําๆรู้ซ้ําๆท่านใช้คำ ว, ว่าศาตร์จักรียา่านใช้คำว่าวิริยะคือรู้ซ้ําๆในสิ่งนั้นบ่อยๆเอามาภาษาสมมุติเลยว่าชํชนานิชํานาญ คนที่จะชำนิชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมายความว่าทาสิ่งนั้นเป็นประจําเราเรียกว่าช่างใช่ไหมชำนิชำนาญภาษาสมมติภาษาภ า, ภาภายนอกเรียกว่าชำนิชำนาญแต่ภาษาจิตเขาใช้คําว่าญาณบ้างปรีชา ย, ยาญบ้างนิยานปัญญาบ้างหรือวิปัสนายาญบ้างนันนั้นเป็นช่างทางจิตช่างทางปรมัจิตต้องทําสิ่งนั้นบ่อยๆเหมือนคนที่เป็นช่างต้องทําอย่างน้ึนกวันเรื่องนั้นทุกวันมันชํานาญของมันเอง เหมือนกันเราจะเกิดญาณปัญญาก็ทําความรู้สึกตัวทุกวันรู้สึกอะไรก็รู้สึกในที่สุดเรามีความรู้สึกตัวที่ชำนิชำนานญาณมันก็เกิดอพอญาณมันเกิดแล้วมันก็ไปรู้ของมันเองว่าอะไรเป็นอะไรข้างใ น, นตรงนั้นถึงว่าจะขุมอุทิภูิยานังอุทัปิฏิขึ้นมาญาณมันเกิดดูบ่อยๆจะขุ ม, ม น, นะดูบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าญาณังอุทัปิฏิเมื่อญาณตัวรู้เกิดขึ้นปัญญามันรู้จักชายเอง วิชา ى, รู้จักวิธีการแล้วแสงสว่างมันไม่สงสัยมันเห็นด้วยตาตรงนั้นสําคัญนะ น, นั่นเหลียวเวลาอีกหน่อยนะมีอะไรที่จะถามไหม อ, อวันนี้ดีมากที่อาจารย์เปิดประเด็นเรื่องถามปัญหาเพราะทําให้เราเคลียร์เรื่องนี้บางทีถ้าไม่มีใครถาม เ, เรื่องเหล่านี้มันไม่พูดขึ้นมาให้รู้นะะแล้วมีคนถามเพราะฉะ น, นั้นเองเออ ขอพูดอย่างนี้ว่าตั้งแต่มาในอเมริกามาไปวัดต่างๆไปสัมผัสกับเจ้าวาดบางเรืต่างๆไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้นะพราะเจ้าวาดในอเมริกาเขาก็มีระดับเพราะนไปสัมผัสแต่ต้องเขาไม่ได้แต่ที่นี่พิเศษด้วว่าแต่ต้องได้สัมผัสได้เอามาถึงได้ลงทุนมาที่นี่เเป็นปรมาจารถึงลงทุนมาที่นี่เพราะฉะนั้นดูอเมริกามาเกือบ20ปีเนะี่ยไม่ได้เจอเจ้าวาดแบบนี้หล้ก เ น, น, นันมาไม่ใช่มาพี่ใช่ไปคนณไปคนมาได้ง่ายๆแต่มาที่นี่ได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเห็นจุดนี้ของท่านนั่นเองอเพราะฉะนั้นมาจะมาต่อมาจะจะมาหรือไม่มาก็ไม่สําคัญแล้วต่อไปก็มาหาท่านได้ที่นี่นะะแต่ว่านั่นแหละเราก็จะต้องฟังสมมุติให้เป็นนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มาถูกที่ถูกเวลาแม้ว่า ในสิ่งที่เราสมมตชิชายกันสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บางเราก็อาศัยการกระทําเป็นหลักเมื่อทํารู้ได้โดยตนเองแล้วเนี่ยมันจะมาลงที่เดียวกันหมดเพราะนบบเทียนบอกว่าความรู้แท้จําเป็นสิ่งเดียวกันใครจะรู้ก็ตามมันจะรวมมาเรื่องเดียวกันคือเรื่องปรมัติตขอให้เราเพียรพยายามทําซ้ําๆบ่อยๆให้เกิดจากสุเมื่อเกิดจากสุรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆจกขุ่อุทาปารถิก็เปิดก็เกิด แล้วญาณังคือตัวรู้ชำนิชำนาญในเรื่องนั้นๆมันก็ปรากฏเมื่อชำนิชำนาญในเรื่องกายมันก็เวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมมันชำนาญไปเองเราขอให้ชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ชัดเจนเสมอขอให้ความตั้งใจญาณ้เป็นเพราะว่าปัใจจัยให้เราเกิดญาณปัญญาสามารถเจาะทะลุแทงชำแหละกิเลสที่มีอยู่ให้หมดไปให้หายสงสัยภายในอนาคตอันใกลน้นี้โดยการทุกคนทุกท่าน เชิญเรากลับเอาหองกัน